เกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุขจริงหรือปัญหาข้อนี้ไม่ได้มีใครเป็นผู้ถามแต่ท่านปรารภขึ้นมาเองเนื่องจากท่านได้ไปฟังพัทธคถาที่แผนกทำวิจัยเมื่อหลายอาทิตย์ล่วงมาแล้วซึ่งสุภาพสตรีผู้หนึ่งได้แสดงพัทคถาในหัวข้อว่าเกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุข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 แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าหากคนไหนในขณะที่ตายเป็นสุขเกิดใหม่ก็เป็นสุขถ้าในขณะที่ตายซึ่งไม่ว่าจะตายจากคนหรือตายจากโอปปาติกะถ้าในขณะที่ตายเป็นทุก์เกิดใหม่ก็เป็นทุกจะไม่มีการกลับกันดังที่ว่าเกิดเป็นทุก์ตายเป็นสุขเมื่อท่านได้ปรารภให้ข้าพเจ้าได้ฟังเช่นนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปควรจะรู้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 ทั้งนี้เพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะวิบากของกรรมที่เป็นตัวนามปฏิสนธิในตอนนี้จะเป็นผู้วางรากฐานของชีวิตในชาตินั้นทั้งหมดซึ่งหมายความว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายชะตาชีวิตจะต้องเป็นไปตามรากฐานที่วิบากอันเป็นตัวนามปฏิสนธินั้นเป็นผู้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในเมื่อขณะที่กำลังจะตายใจเป็นสุข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 เช่นสมมุติว่านายกหลายชาติมาแล้วนิสัยรักขโมยไม่มีเลยคนอย่างนายกเนี่ยแม้จะให้คบกับโจรคลุกคลีอยู่กับโจรหรือแม้จะถูกบังคับถูกเคี่ยวเข็นให้เป็นโจรหรือจะให้รางวัลอย่างไรก็ตามนายกก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชีวิตมาเป็นโจรได้เป็นอันขาดอย่างนี้เป็นต้นใครจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางไหน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 และทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมามากในเวลาจะตายภาพของเหตุการณ์ในหนหลังมาปรากฏหรือไม่เช่นนั้นบุคคลหรือสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่าหรือเคยทาความเดือดร้อนให้แก่เขาซึ่งเขาได้ตายไปก่อนแล้วและบัดนี้เขาซึ่งกำลังเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่ได้มาคอยตามล้างตามผลานเพราะความโกรธแค้นของเขา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 ก็ยังไม่มากเท่ากับในโลกของโอปปาติกะท่านบอกว่าคนที่คิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากความทุกข์ในโลกไม่มีแม้แต่รายเดียวที่ตายแล้วจะเป็นสุขคนที่ถูกเขาฆ่าตายถ้าหากทำใจให้เป็นสุขได้เหมือนท่านมหาตมะคารทีตายแล้วก็เป็นสุข ท่านมหาตมะคารทีถูกคนร้ายยิงตายก่อนที่จะตายท่านก็สั่งหอนใจมาก่อนแล้วว่าอาจจะถูกไยประปรักฆ่าแต่ท่านก็ได้ปลงตกแล้วและในขณะที่ถูกยิงและกำลังจะสุดตัวลงไปท่านก็ยังให้อภัยแผ่เมตตาให้กับคนที่ยิงความโกรธหรือความขุ่นเคืองแม้แต่เพียงนิดหนึ่งไม่มีอยู่ในดวงใจของท่านสำหรับท่านมหาตมะคารทีเมื่อตายแล้วก็เป็นสุขทันที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 ที่จะตายอย่างเป็นสุขในขณะที่ตายมักจะได้รับการทรมานจากตัณหาราคะจากความโลภจากโมหะหรือจากอวิชชาของตัวเพราะฉะนั้นเท่าที่ท่านมองเห็นผู้เกิดใหม่ในโลกของโอปปปาติกะที่มาจากสภาพดังที่กล่าวมานี้ไม่ว่ารายไหนเมื่อท่านเห็นแล้วล้วนแต่เป็นภาพที่น่าสังเวชได้สร้างความหนักใจ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 คือที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณนี้หรือที่ไหนก็ตามเพราะตราบใดที่ยังไม่มีการพิสูจน์ออกมาอย่างขาวสะอาดว่าคนที่ได้ตาทิพมีจริงคนที่ได้มโนโมยิธิมีจริงการถ่ายทอดความรู้ระหว่างโลกทั้งสองจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ มายาที่เธอเห็นกับความจริงในโลบที่เธอเป็นมันคล้ายละต่างกันอย่างไรรู้สึกบังเอิญว่าคล้ายมีเธออีกคนร่างหนึ่งที่นอนหลับไรกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคน ท่านในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูสับซอนแต่ความจริงมันคือ้ลถ้าจากใจเธอที่แท้จริง แคบเพียงภาพลวงตายังมีทุกสุขใจสุขกายเหมือนกันแม้นนในความฝันนรบสวรรค์ที่ใจอยู่ที่ไหนไม่ไกลไกลไกลเธอทุกคืนเธอก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเอง ที่เธอไร้ร่างกายจนสุดท้ายาเธอจะเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนให้เปลี่ยนคล้ายเที่ยบตอนหลับฝันร่างดึงจะนอน